เ, เวลาได้ยินคำเชยเฉยอย่าใชื่อทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เคยใช้คนที่บางอย่างคล้คลายเราอาจเป็นเราเข้าใจกันนะนะ จนเกิน ก, กว่าจะที่ไปแต่มีบางคำที่เหมาะสมบางอารมณ์อยากจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอกกะคิดอย่างนั้นจว่านจนเธอใช่หรือเปล่า เหมือนแบบของเราแต่มือกันเพียงเบาเๆก็รู้กันแน่นแนนจนเราอาจลืมคำว่าว่าแต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวใจ คาเชยๆหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอก ยืนนั่นจะหวานจนเธอใช้หรือเปล่าไม่เมือแบบของเราแต่มือกันเพียงเบา แต่เราอาจลืมคาวันวาแต่รู้มันอยู่ในหัวใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้นคำชี้ชื้นหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอก